บุญกะยักษ์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดในทวีปขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูแก้วมณีของข้าพระองค์ดวงนี้รูปหญิงและรูปชายรูปเนื้อและรูปนกย่อมปรากฏเป็นหมู่หมู่อยู่ในแก้วมณีดวงนี้พญานาคและพญาครุตก็ปรากฏอยู่ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสิ่งที่น่าอัศจรรย์ อันธรรมชาติสร้างสรรไว้ในแก้วมณีดวงนี้พระเจ้าค่าขอเชิญพระองค์ทอพระเนตรจตุรงคินีเสนาคือกองช้างกองมา้ากองรถและกองเดินเท้าอันสวมเกราะอันธรรมชาติสร้างสรรไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอพระเนตรพลทหารที่จัดไว้เป็นกรมๆคือกรมช้างกรมมา้ากรมรถ กรมราบอันธรรมชาติสร้างสรรไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพระนครอันสมบูรณ์ด้วยป้อมมีกำแพงและเสาค่ายเป็นอันมากมีถนนสามแพร่งสี่แพร่งมีพื้นราบเรียบอันธรรมชาติสร้างสรรไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเสาระเนียดเสาเขื่อนกรอนประตูหน้าต่าง ซุ้มประตูและประตูอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรฝูงนกนานาชนิดมากมายที่เสาค่ายและหนทางคือฝูงหง์นกกระเรียนนกยูงนกจักภาคและนกเขาอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพระนคร อันเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงนกต่างๆคือนกดุวาวดำนกดุวาวลายไก่ฟ้านกโพระดกเป็นจำนวนมากอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอพพระเนรพระนครอันแวดล้อมไปด้วยกำแพงชั้นดีเป็นนครหน้าอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล้าวเขาชักธงขึ้นประจำ ลาดด้วยสายทองอันน่ารื่นรมอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรร้านตลาดอันบริบูรณ์ด้วยสินค้าต่างๆเรือนสิ่งของในเรือนถนนซอยถนนใหญ่อันธรรมชาติสร้างสรรค์จัดไว้เป็นส่วนๆในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรโรงขายสุรานักเลงสุราพ่อครัว โรงครัวพ่อค้าและหญิงแพทย์ยาอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างปรุงของหอมช่างทอผ้าช่างทองและช่างแก้วอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรคนปรุงของหวานคนปรุงของข่าวนักมหรสพ มีพวกฟ้อนรําขับร้องพวกปรบมือพวกตีชิงอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรกลองตะโพนสังบันเดะมะโหระทึกและเครื่องดนตรีทุกอย่างอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเปิงมางกังสดานพินการฟ้อนราขับร้อง เครื่องดนตรีดีสีตีเป่าอันเขาประโคมคึกครืน้นอันธรรมชาติสร้างสรรไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอบพระเนตรนักกระโดดนักมวยปล้ำนักเล่นกลหญิงงามและชายงามคนเฝ้ายามและช่างตัดผมอันธรรมชาติสร้างสรรไว้ในแก้วมณีดวงนี้แท้จริงในแก้วมณีดวงนี้มีงานมหโหระพ อันเกลือนกลลไปด้วยชายหญิงขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพื้นที่เป็นที่เล่นมหรสบพบนเตียงที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าข้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพวกนักมวยปล้ำซึ่งกำลังปล้ำกันด้วยแขนทั้งสองในสนามเล่นมหรสพทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรฝูงเนื้อต่างๆเป็นอันมากที่เชิงภูเขาคือราชสีเสือโครง่งหมูป่ามีหมาป่าหมาในแรดโคลานกระบือละมั่งกวางทองเนื้อสายระาตศวัวสุกรบ้านชมดแมวป่ากระต่ายและกระแต ซึ่งมีอยู่มากมายหลายหลากขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรฝูงเนื้อต่างๆซึ่งมีอยู่เปลื่อนกลาดอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ในแก้วมณีดวงนี้มีแม่น้ำมีท่าอันราบเรียบลาดด้วยทรายทองมีน้ำใสสะอาดไหลไปไม่ขาดสายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาอันหนึ่งในแม่น้านี้มีฝูงจระเข้ มังกรปลาฉลามเต่าปลาสลาดัดปลากระบอกปลากดปลาเขา้าปลาตะเพียนท่องเที่ยวไปมาขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรขอบสระโบกครณีอันก่อสร้างด้วยแผ่นแก้วไผ่ทูลเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงนกนานาชนิดดาราดาดไปด้วยหมู่ไม้นานาพัานธ์อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ ขอเชิญพระองค์ท่อพระเนตรสะโบกครณีในแก้วมณีดวงนี้อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้เรียบร้อยดีทั้งสี่ทิศเกลื่อนกลนด้วยฝูงนกต่างชนิดเป็นที่อยู่อาศัยของปลาใหญ่ๆขอเชิญพระองค์ท่อพระเนตรแผ่นดินอันมีน้ำล้อมโดยรอบเป็นกุลทนแห่งสาครประกอบด้วยทิวป่าอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ ขอเชิญพระองค์ทออพระเนตรบุพภวิเทหทวีปทางข้างหน้าอมระโกยานทวีปข้างหลังอุตรกุรุทวีปและชมพูทวีปด้านขวาขอเชิญพระองค์ทออพระเนตรสิ่งอัศจรรย์อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทออพระเนตรพระจันทร์และพระอาทิตย์อันเวียนรอบสิเนรุบรรพศส่องสว่างไปทั่วสีทิศ ขอเชิญพระองค์ท่อพระเนตรสิ่งอัศจรรย์อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ท่อพระเนตรสีเนรุบรนพ์หิ ม, มวันตบัรพศสมุดสาครพื้นแผ่นดินใหญ่และท้ามหาราชทั้งสอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ท่อพระเนตรพุ่มไม้ในสวนแผ่นศิลา และเนินศีลาอันน่ารื่นรมเกลื่อนกลนไปด้วยพวกกินนอนอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสวนสวรรค์คือปารุสกวันจิตรดาวันมิสกวันและนันทนาวันทั้งเวชยันตะประสาสตอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสุธรรมเทวสภาต้นปาริฉัตรอันมีดอกแยมบานและพญาช้างเอราวันซึ่งมีอยู่ในดาวดึงพิภพอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้มณีดวงนี้ขอเชิญทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าข่าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเหล่านางเทพกัญญาผู้ทรงโฉมล้ำเลิศดังสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆ เที่ยวเล่นอยู่ในนันทนวันนั้นอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเหล่าเทพกัญญาผู้ประละปลมเทพพบุตรเหล่าเทพพบุตรอภิรมเหล่าเทพกัญญาอยู่ในนันทนวันนั้นอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้เชิญทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าข่าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรปราสาส มากกว่าหนึ่งพันหลังในดาวดึงพิภพพื้นลาดด้วยแผ่นแก้วไพูทูลมีรัศมีรุ่งเรืองอันธรรมชาติสร้างสารรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ท่อพระเนรสวรร์ชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตวัสวดีอันธรรมชาติสร้างสารรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสระโบกคารณีในสวรรค์ชั้นนั้นนั้นอันมีน้ําใสสะอาดดารดาดาษไปด้วยมนณาลกะดอกปทุมและอุบลลายขาวสิบลายอันน่าดูน่ารื่นรมใจลายเหลืองอ่อนยีอดลายลายเหลืองขมิ้นสิสลายลายสีทองยี่สิบลายลายสีเงินยี่สิบลายลายสีแมลงค่อมทองสาสิบลาย มีปรากฏอยู่ในแก้วมณีดวงนี้ในแก้วมณีดวงนี้มีลายดำสิบกลายและลายแดงยี่สิบห้าลายอันเจือด้วยดอกฉบาวิจิตด้วยนิรุบนข้าแต่พระมหาราชาผู้สูงสุดในทวีปขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรแก้วมณีดวงนี้อันสมบูรณ์ด้วยองค์ทั้งปวงมีรัศมีรุ่งเรืองผุดผ่องอย่างนี้ ผู้ใดจักชนะค่าพระองค์ด้วยการเล่นการพนันแก้วมณีดวงนี้จะเป็นส่วนค่าพนันของผู้นั้นมณีกันจบ